ขอร้อมน้อมต่อคุณพระตนะไตรโอกาสพระอาจารย์ไพศาลพระเทวราชนเหตละเพื่อนสนธมิกทุกท่านจเจริญธรรมไม่ทีและญาติธรรมทุกท่านเมื่อกี้เราก็ได้สวดบทอบนันมจิตควรพิจารณาเนืองๆนะสิบอยาา่างเช่นอ่ากายวายาจใจของเรา ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ยังต้องทำให้ดีไปกว่านี้ยังไม่อยู่อีกควรทำตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายเพราะเราต้องอาศัยผู้อื่นนะหรือมันคือล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะให้อยู่ในที่สงัดหลีกเล่นนะถ้าหากว่านักบวชไม่เฉพาะแต่พระนะ อาจจะรวมถึงนักบวชหรือผู้ที่มาอยู่วัดทั้งหมดผู้มาอยู่วัดทั้งหมดก็เป็ น, นเป็นนักบวชเหมือนกันอาจจะถือเป็นบรรพชิตด้วยถ้าเอามาใช้ในตรงนี้อก็จะได้อ่ามีหลักในการที่เราอ่มีความเป็นอยู่อย่างไรนะเพราะเราต้องเอาศัยผู้อื่นอืเราจะต้องทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายนะอืม ถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงยากเนี่ยเราก็จะอยู่ลำบากการมาอยู่วัดก็คือการมาฝึกตัวฝึกตนการมาฝึกตัวฝึกตนนี้เราไม่ได้มาเอาความสะดวกสบายความสะดวกสบายนั้ น, เ, นเราก็ทำไปตามตัณหาของเรา <c oughs> ถ้าเราทำไปตามตัณหาแล้วเนี่ยมันก็ฝึกตัณหาไม่ได้เนาะอย่างเช่นเมื่อวานพระอาจารย์ไบสานก็ได้พูดไปบอกว่า เมื่อวานก็มีพระน่ไปกราบคารวะเจ้าคณะจังหวัดกันนะแต่บ า, บางบางบางครั้งเราอาจจะรู้ไม่ทันอตัณหาของเราเราก็า จ, จะไปซื้อของต่างๆอตามตัณหาของเรานะอันนั้นนะเพราะว่าเรารู้ไม่ทันตัณหาได้เกิดขึ้นในใจของเรายิ่งถ้าเรามาอยู่วัดนานนะแล้วเรา่ะ ยังมีตัณหาอยู่ในใจมากเนี่ยเราก็อยู่ด้วยความเป็นทุกขนะ์บางทีมาอยู่สามเดือนมันก็จะนานมากเนาะตัณหาจะเรียกร้องต่างๆนะให้เราทำตามใจเขานะความอยากเปในลบต่างๆอยากจะรับประทานนะของที่เราชอบนะอยากจะไปดูสิ่งที่เราชอบนะอยากจะฟังสิ่งเราชอบนะ นี่คือการของตัณหาทั้งสิ้นมันกท็ทำเราเพลินไปนะเพลินไปเมื่อเรามีโอกาสออกไปนอกปัดตัณหาก็ได้แสดงตัวเต็มที่จากที่เราเคยไปเก็บกดมโนใ อ, อยู่วัดเราก็เก็บกดเอาไว้ไม่ตัณหาแสดงออกเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อาจจะมีความสงบพอสมควรแต่เมื่อเราไปกระทบรูปรสกลิ่นเสียงนะตัณหาในใจเราก็จะแสดงออมาอีกครั้งหนึ่งให้เราเห็นชัดเจน อันนี้ก็คือเราไปเก็บกดเอาไว้ตัณหานี้จะเรียกร้องเราตลอดเวลาเลยนะะยิ่งถ้าบางทีเราอยู่วัดนานๆเนี่ยเราก็ยิ่งอยากออกไปข้างนอกไปสนองตัณหาเขาเหมือนกับเป็นเสือตัวหนึ่งอยู่ในใจเรานะยิ่งอยู่วัดนานก็ยิ่งคำรามเสียงดังจะคิดแล้วโอ้เราออกไปนะอหรือถ้าเรากลับไปบ้านเราต้องไปหาของ ล อ, อยๆที่เราชอบรับประทานนะอไปเที่ยวไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวตามห้างต่างๆนะตันหาเขายิ่งเรียกร้องหนักพอเราออกไปรับสนองตันหาอ่ไปทําตามที่เขาต้องการตันหาก็จะให้รางวัลเรานะให้มีความสุขในสิ่งที่เราอ่าไปไปสนองตันหาเนี่ยแหละเรามีความสุขขึ้นมาสักพักเดียวนะ ประเดี๋ยวตันหาก็จะเรียกร้องใหม่อีกแล้นะแล้วเราก็ต้องทําตามเขาทุกครั้งเราก็ต้องตกเป็นทาสเขาตลอดไปนะในชีวิตนี้เราก็ไม่พ้นจากตันหาหรอกเขาเรียกร้องอะไรเราก็ทําตามเขานั่นแหละเราก็เป็นทาสเขาตลอดชีวิตเลยแม้แต่มาอยู่วัดเราก็ไม่มีความสุขพะเราสนองตันหาจนเคยชินแล้วเขาให้รางวัลเราทุกครั้งนะเป็นความพอใจในสิ่งที่เรา สนองเขาสิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นทาสเขาตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้เป็นผู้ที่ประทำเนี่ยเป็นสามประเภททรงเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเหมือนกับไม้นะไม้สดซึ่งมียางอยู่แล้วก็วางอยู่ในน้ำเนี่ยเอามาสีกันเท่าใดเท่าใด ก็จะไม่เกิดไฟขึ้นมาอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อเรายังมีตัณหาในใจนะก็คือเป็นยางมีตัณหาในใจแล้วเราก็อยู่ในน้ำด้วยก็คืออยู่ในในบ้านในเรือนอยู่ในสถานที่ที่เป็นกามทั้งหลายนะในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆนะเราอยู่กับสิ่งบ้านล้อมอยู่ที่บ้านของเราหรืออยู่กับลูกกับเมียกับภรรยา กับลูกหลานากับเพื่อนบ้านอ่ากับสถานที่ที่บุบ่นวายนะอ่าเต็มไปด้วยมหรสลพต่างๆอ่เต็มด้วยสิ่งสนองตันหาเราอย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็คือเราอยู่ในน้ามันเองนะเพราะนั้นการแบบธรรมนี่มันจึงยากเพราะในเมื่ อ, อตันหาเราก็มีอยู่แล้วสิ่งที่จะสนองตันหาเราก็ไม่อยู่พร้อมมูลนะอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะเที่ยวอะไรก็เที่ยวนะ ใหญ่ก็เสพกามก็เสพกามนะในสิ่งแล้วเนี่ยเราก็เมื่ออยู่ในน้ําให้เราไปบัติด้วยความหนักหน่วงขนาดไหนนะด้วยความเพียนขนาดไหนเราก็จะบรรลุธรรมได้ยากยิ่งนะเหมือนกับเราสีไฟเนี่ยมันก็สีไปไม่ติดนะแล้วก็ทรงเปรียบเทียบต่อไปว่าอ่าถ้าไม้สดนะซึ่งมียางอยู่มาวางในที่แห้ง ก็สีไฟไม่ติดเหมือนกันนะไม้สด ก, ก็คือไม้ที่มียางก็เหมือนกับผู้ที่ยังมีตัณหาในใจมาอยู่ในที่แห้งก็เช่นมาอยู่วัดอยู่สำนักปริบัติธรรมหรืออยู่ในที่ที่สงบเงียบแต่เมื่อเมื่อมีตัณหาอยู่ในใจตัณหาก็ยังเรียกร้องอยู่ให้เราสนองตัณหาเข้าต่างๆนานาสแสวงหาในรูปรสกลิ่นเสียง ที่จะให้ตันหาเนี่ยได้สนองในตรงนั้นนะตามที่เขาต้องการนะใจยังเรียกร้องตลอดเวลาแม้เราอยู่ในป่าในเขาอยู่ในกุฏิที่สงบเงียบนะมันก็ยังเรียกร้องเรานะยกตัวอย่างบางที่เรารู้สึกเออทาไปแล้วมันเหงาจังเลยต้องไปหาเพื่อนคุยอันนี้ก็เป็นการสนองตันหาเราแล้วนะต้องไปห า, าสิ่งที่เราชอบนะ ไปทําในสิ่งที่เราชอบบางทีปฏิบัติธรรมอยู่ดีๆนะก็ไปทําอย่างอื่นไปอันนี้ก็สนองตัณหาเหมือนกันนะเรียกร้องให้เราเออมีโอกาสออกไปข้างนอกนะไปถึงก็ไปสแสวงหาสิ่งที่เราชอบนะแล้วเราก็คอยจ้องเออมีใครจะออกไปไหมเราก็จะได้ออกไปด้วยเนะี่ยก็จะเป็นสนองตัณหาทั้งนั้นนะหรือบางทีอาจจะไปหาของรับประทานนอกวัดอร่อยอ่อย นั่นก็เป็นการสนองตันหาท้งนั้นนะอันนี้ก็เป็นไม้ไมเนี่ยก็ยังเปียกอยู่มียางอยูนะ่เมื่อมียางอยู่ก็คือตันหาตรงนี้แลแหละ่ะต่อให้เราอยู่ในที่สงัดขนาดไหนนะเราก็ไม่สงัดจริงๆเพราะเรามีเพื่อนสองเพื่อนสองก็หมายความว่าเราอยู่ตันหานั่นเองนะตันหานี่แหละคือเพื่อนสองของเรา ถ้าเรามีเพื่อนสองแล้วเนี่ยใจเราก็จะไม่สงบจริงๆนะไม่ว่าจะอยู่ในถ้ำในป่าในเขาอยู่คนเดียวอยู่ที่สงัดเงียบขนาดไหนเราก็มีตัณหาเป็นเครื่องเรียกร้องตลอดเวลาให้เราไปสนองเข้าในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ต, ต่างๆเนะี่ยเราปฏิบัติธรรมนะมันก็จะไม่ก้าวหน้าเพราะนั้นในตรงนี้จะทำให้เราปฏิบัติธรรมได้ช้านะแล้วก็ไม่เจริญไม่บรรลุธรรมก็เพราะว่าเรา ยังไยหาในสิ่งที่เราต้องการในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ต, ต่างๆอยู่นะคราวนี้นะประการสุดท้ายก็คือไม้ไม้ที่แห้งไม่มียางแล้วก็อยู่บนที่แห้งด้วยก็จะสีให้ติดไฟได้ง่ายนะไม้ที่แห้งก็คือไม้ไม้ที่ไม่มียางนะหรือมียางน้อยมาก วางมาที่แห้งก็คือมาอยู่ในที่สงัดอยู่วัดอยู่ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าในเขานะเมื่อสิ่งเราเนี่ยมีพร้อมแล้วนะเราก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ง่ายนะเพราะใจเราเนี่ยตัณหาน้อยลงนะไม่ได้ดิ้นลดอะไรเยอะนะใจก็จะมีความสงบมากขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นนะจากการที่เราสามารถที่จะ อยู่ได้ในที่ทุกแห่งนะเราก็จะเป็นผู้ไม่มีเพื่อนสองนะอันเนี้ยเป็นหลักสำคัญในการบิบัตินะเพราะว่าเราเนี่ยมีโอกาสโชคดีแล้วในพวกเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพร ะ, ะเป็นชีนะหรือว่าเป็นญาติธรรมที่มาร่วมกันบิบัติธรรมที่วัดป่าสู่โตในครั้งนี้นะเพราะว่าตรงนี้เราก็ได้อยู่ในสถานที่ที่เป็นที่แห้งแล้วนะอยู่บนบกแล้ว เพียงแต่ว่าเราจะทำให้ตัญหาในใจของเราเนี่ยน้อยลงไปได้บ้างไหมอยู่ด้วยความความสุขความที่เราพอนะเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายกินง่ายนะมาฝึกตัวฝึกตนนะฝึกตัวฝึกตนก็คือเราสามารถที่จะอยู่ได้ทุกแห่งไม่ใช่อยู่ในที่ลำบากไม่ได้นะถ้าเราอยู่ในที่สบายที่เราเคยอยู่แล้วมันก็ฝึกตัวฝึกตนลำบากนะ อยากจะกินอะไรก็กินอยากจะเที่ยวก็เที่ยวอยากจะทําอะไรก็ทําอันนั้นไม่ได้เป็นการฝึกตัวฝึกตนเพราะว่าเราอยู่กับตัณหามันสนองกิเลสอย่างรวดเร็วเราก็จะไม่เห็นกิเลสของเราเองที่มันแสดงออกมาแต่ถ้าเราไม่สนองเขานโอกาสสนองไม่มีโดยเห็นตัณหาเห็นกิเลสในใจเราของเราเนี่ยได้ชัดเจนในความโลภความโกรธความหลงในตัณหาใ น, ในใจที่เรียกร้องสิ่งต่างๆ่าง แล้วเราไม่สนองเขาเนี่ยเมื่อเราไม่สนองเขาบ่อยๆนะเขาเรียกร้องบ่อยๆแต่เราไม่สนองเขาบ่อยๆตัวเขาก็จะเล็กลงนะเล็กลงไปเรื่อยๆนะยิ่งเราไม่สนองเขาเขาจะเล็กลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยเขาจะน้อยลงแล้วจะหมดไปแต่ถ้าเราไปสนองเขาบ่อยๆนะตัวเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นเจ้านายเราตลอดไปเหมือนกันนะนตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สาคัญ เพราะเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยอยู่ น, น, นานๆไปแล้วนะก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกไปก็ตรงนี้นั่นเองเพราะว่าทนต่อตันหาที่มันเรียกร้องในใจไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องความสะดวกสบาย <c oughs> เรื่องที่จิตใจไหลไปตามวมต่างๆรู้ไม่ทันนะเนี่ยเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ า, าไม่พักและไม่เพียร น, นะ ไม่เพียรก็คือเราไปบัติธรรมนะเราก็บัตรธรรมไปแต่เราไม่มีตัณหาในการที่จะไปเอาอะไรนะไม่ต้องหวังว่าเราจะต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะเพราะนั่นก็คือตัณหาเหมือนกันนะอยากจะได้สติสมาธิปัญญาต่างๆนี่ก็คือตัณหานะตัณหานั่นแหละมันทําให้เราเพียรนะไปในทางที่ไม่ถูกทางแต่ถ้าเราไม่มีตัณหาแล้วเราก็บัตรธรรมไปนะโดยที่เราไม่ได้ไปหวังอะไรอันนี้ก็คือ ไม่ไม่ต้องเพียร น, นะนะเพราะไม่มีตัณหาแล้วเราก็ไปบัตได้ถูกต้องเองนะไม่ได้ว่าทำตามตัณหานะเพราะสิ่งต่างเขาเขาก็แสดงให้เราเห็นอยู่แล้วนะว่าเราบางังคับบัญชาก็ไม่ได้หรอกนะโดยการแสดงความไม่เที่ยงนะบางทีเราไปบัตเนี่ยเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดนะีก็แสดงความไม่เที่ยงอยู่แล้วเราก็จะเป็นทุกขนะ์ที่เป็นทุกข์เพราะวเลยมีตัณหาที่จะไปเอาดีนั่นเองนะอยากจะได้ดีเนะี่ย พอเราไม่ดีเราก็มีความทุกข์นะเพราะว่าเราปฏิบัติด้วยตัณหานั่นเองนะแต่ถ้าเราไม่มีตัณหาตรงนี้นะเมื่อเราปบัติทําแล้วอะไรก็ได้เราก็ยอมรับเข้าไปตามความเป็นจริงปฏิบนะัติแล้วดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เราก็แค่ยอมรับเข้าไปเนะี่ยตรงนี้นะเราก็ไม่ทุกข์แล้วนะเพราะเราไม่ได้ไปฏิบัติด้วยตัณหานะอันนี้เราก็เชื่อว่าเราไม่เพียร เราก็นี้ไม่พักนะไม่พักหมายความว่าเราไม่ต้องไปบัตรทำอะไรเลยนะหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะไม่พักก็คือหมายความว่าเราก็ไม่เพลินไปในรมต่างๆนั่นเองนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ใจเราเพลินไปถ้าเราเพลินไปนั่นแหละเราก็มีปัญหาในตรงนั้นนะแต่พอเราไม่เพลินไปเนี่ยก็คือใจเราไม่พักแล้วแม้แต่เรากาลังพักอยู่เราก็นอนพักอยู่ อยู่ดีๆนะแต่ว่าใจเราไม่เพลินไปในการนอนเหล่านั้นนะไม่เพลินไปในรมต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้เราก็ชื่อว่าอ่าเราก็ไม่พักเหมือนกันนะไม่พักไม่เพียนนะก็คือไม่เพลินไปในลมนะต่างๆนั่นเองนะเนี่ยก็คือตัณหาที่เกิดขึ้นในใจเราทั้งหมดเนี่ยเราต้องรู้ให้ทันนะแล้วเราก็ออกจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยได้ชีวิตเราก็จะมีความสุขนะ เพราะนั้นพระเจ้าจึงแบบว่าวันคือล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่การทําอะไรของเรานะจริงๆก็คือเรามาปฏิบัติธรรมนั่นเองเราทําให้เกิดตัวรู้บ่อยๆเกิดขึ้นนะในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นกายหรือใจนะให้มีตัวรู้เกิดขึ้นบ่อยๆตัวรู้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วตัวหลงก็จะลดน้อยลงไปเองนะยิ่งเรารู้มากความหลงก็จะน้อยนะที่เราเราหลงมากนั่นแหะ พราะว่าใจไปเพลินไปในอารมณ์ต่างๆมันก็เลยหลงไปเพลินไปในความคิดนะเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงนะก็เกิดจากตัณหาทั hm ้งนั้นนะตัณหานี่ทําเราเพลินเมื่อใจเรามีตัณหาอยู่เราจะเพลินได้ง่ายมากนะเราเห็นสิ่งที่ชอบใจนิดเดียวตัณหามันมีอยู่แล้วเราก็จะเพลินไปในสิ่งเราชอบนานเลยนะเนี่ยตรงนี้แต่ถ้าเราไม่มีตัณหาเราเห็นแล้วก็รู้ทันเราก็ไม่เพลินเราก็กลับมาได้เร็วนะ เพราะนั่นใจที่มันเพลินไปต่างๆนั่นแหละก็เกิดจะตัณหาเราเนี่ยเป็นหลักนะเราต้องไม่เพลินไปในลมต่างๆเมื่อเราไม่เพลินแล้วเนี่ยใจมันก็จะรู้เองนะใจมันจะอยู่กับปัจจุบันได้เร็วขึ้นนะการที่เราอยู่กับปัจจุบันนะมันก็จะไม่ไหลไปคิดในอดีตในอนาคตเพราะการไหลไปคิดในอดีตแลอนาคตมันก็ไหลไปตามตัณหาเหมือนกันนะตัณหาที่เรามีความไม่พอใจในอดีตนะ อันนี้เป็นปริคาสปริฆาสก็คือตัณหาที่มันละเอียดต่างๆนะมันก็เป็นปริคาสในตรงนั้นแล้วก็ไหลเข้าไปนในปริฆคะอีกในอดีตนะทั้งๆในใจนี่มันลืมไปแล้วนะมีคนก็มาดา่าเราเมื่อสิบ ป, ปีก่อนมันลืมไปแล้วแต่ ใ, ใจก็ยังไม่คิดอีกนะเพราะเรารู้ไม่ทันมันก็เลยไหลเพลินไปการเพลินนั่นแหละคือตัณหานะมันส่งเราไปในตรงนั้นนะความพอใจในอดีตเมื่อเราระลึกขึ้นได้เราก็มีความพอใจอีกนะ นั ing, halten, ่นแหละคือความเพลินไปแนวลมความพอใจในตรงนั time, ้นมันก็เป็นราคะเป็นโลภะเป็นตัณหาในตัวนะตัณหามันจึงเป็นความเพลินเป็นอารมณ์ต่างๆเพราะพระพุทธเจ้าซึงจึงทรงตัดว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้สมุทัยเป็นสิ่งต้องละสมุทัยนี่มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองคือตัณหานะคือการมาตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาท่านไม่ได้บอกอย่างอื่นเลยท่านบอกว่าสมุทัยเนี่ยมีตัณหาเท่านั้นเองเป็นที่อาศัย เพราะนั้นเราต้องรู้ทันตัณหาของเราในทุกๆรูปแบบที่เกิดขึ้นนะเมื่อเรารู้ทันแล้วเนี่ยเราก็ละเข้าไปตัณหาเป็นสิ่งที่ต้องละนะเราก็ละเข้าไปนะแต่ทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้ทุกจริงๆก็เกิดจากตัณหานะเช่นความโกรธเนี่ยทำเราทุกแต่เบื้องหลังของความโกรธก็คือตัณหาก็คือความอยากได้ในสิ่งต่างๆนั่นเองเมื่อเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเราก็เกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมา เนี่ยวัดไปตันหาจะเป็นเบื้องหลังของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าจะเป็นกิดเลสอะไรก็แล้วแต่นะความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ต่างๆก็เกิดจากตันหาเป็นเบื้องหลังอเป็นในทุนใหญ่อยู่เบื้องหลังนะนะให้รู้ ร, ร, รู้ทันไปในสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉนั้นถ้าเราอยู่วัดนะบางคนจะบอกว่าเราจะมาอยู่วัดหนึ่งพรรษานะเราจะวางใจอย่างไรนะ ก็คือวางตัววางใจนะ่ะให้เป็นผู้ที่อ่าเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายนะเออมีอะไรแล้วก็อ่าใช้ในสิ่งนั้นนะมีอาหารสิ่งใดแล้วก็พอใจในสิ่งนั้นนะอันนี้เราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ามีสิ่งต่างๆแล้วเราไม่พอใจไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราก็มีความทุกข์เราอยู่กุฏิที่ไม่สะดวกไม่สบายนะอะมดก็ขึ้นนะชื้นก็ชื้นนะ สิ่งระดุกสบายในกุติเรามันไม่มีบางทีห้องน้ำก็ต้องไปใช้ร่วมกันถ้าเราไม่พอใจเราไม่ยอมรับเราก็จะมีความทุกข์แต่ถ้าเรามีความพอใจเรายอมรับในกุติที่เราอยู่มีมดก็โอเคอยู่ได้ชื้นก็อยู่ได้ห้องน้ำต้องไปใช้ร่อื่นก็อยู่ได้ให้ใจเรายอมรับเท่านั้นเองปัญหามันก็จะเบาลงไปแล้วแต่ถ้าเราไม่พอใจอกุตินี้ไม่ดีเลยทาไมต้องมาอยู่กุตินี้ นะตันหามันก็ร้องเรียกนะให้เราไปอยู่กุฏิที่ดีๆเถิดนะเพราะเราไม่ได้ดังใจเราก็เจอคิดแล้วเออเหลืออีก3มเดือนจะกลับเนาะก็ค่อยๆนับถอยหลังนะเหลืออีกสเดือนแล้วนะเหลือ1เดือนแล้วนะเหลืออีก10บวันแล้วนะเหลืออีกหวันเหลืออีกสวัน2อวันมันก็เขาเดาวตลอดนะใจก็มีความทุกข์ตลอดก็เหมือนคนติดคุกนะแทนที่จะมาอยู่วัดก็กลายเป็นอยู่ในคุกไปนะเพราะว่าเราทําตามตันหามันเรียกร้อง ให้เราอยู่ในที่สะดวกที่สบายนะเพราะฉะนั้นนะการที่เราอยู่วัดนี่ก็คือเราก็ยอมรับไปอะไรเกิดขึ้นเราก็ยอมรับเราก็ไม่มีความทุกข์แล้วนะจริงๆแล้วคนเรามีความทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราไม่ยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะเพราะว่าอะไรนะเพราะทุกอย่างในโลกนี้มันจะไม่มีอะไรที่ถาวรหรอกคําว่าถาวรหรือดีถาวรไม่มีในโลกนี้แล้วนะ มันถ้ามันมีมันก็ไปขัดกับหลักของอนิจจังนะคือพระไตรลักษณ์นะีอนิจจังเนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความผันผวนมีแต่ความไม่แน่ไม่นอนอันนี้คือความแน่นอนนะแต่ถ้าเราไปเข้าใจว่าสิ่งต่างๆต้องดีพร้อมต้องดีทุกอย่างต้องถาวรต้องดีถาวรตามที่เราต้องการนั่นเราก็จะมีความทุกข์นะความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราไปเข้าใจในตรงนั้นแล้วเราก็ไปยึดติดยึ ด, ย ด, ยดมั่นถือมั่น ในความที่มันจะต้องดีถาบอเพอมันไม่ดีถาบอตามใจเราเราก็มีความทุกข์นะเพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริงนั่นเองนะความทุกข์เกิดจากการที่ไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมีมากมายนะเราจะเราจะสูญเสียอะไรไปเราไม่ยอมรับเราก็มีความทุกข์นะบางคนนะสนิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีความทุกข์นะ ของหายเล g, ็กน้อยก็มีความทุกข์นะเขาก็แสดงถึงความไม่เที่ยงแล้วเขาก็หายไปนะแต่เมื่อเราไปยึดติดเราก็มีความทุกข์ร่างกายเราก็เหมือนกันนะบางทีมันก็ไม่ถาวอลหรอกใช่ไหมแสดงความแก่ให้เราเห็นแล้วความแก่ความเจ็บความตายเขาก็แสดงความไม่ถาวรให้เราเห็นแล้วแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเราก็มีความทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับเราก็ไม่มีความทุกข์นะทุกวันนี้คนที่มีความทุกข์เพราะความที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมีเยอะมากนะ มีการไปสัญญกรรมตกแต่งต่างๆอนี่ก็คือการไม่ยอมรับความจริงนั่นเองะการที่เรายอมรับความจริงทุกอย่างนั้นนะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นเรายอมรับไปเราจะไม่มีความทุกข์ในตรงนั้นเลยการบัติธรรมก็เหมือนกันเราก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าต้องดีตลอดบางวันเราก็เหงาก็เครียดนะปฏะิบัติแล้วไม่ได้ผลไม่รู้สึกตัวอะไรเลยนะ สิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความจริงเขาแสดงให้เราเห็นแล้วในความมนิจจังนะว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้หรอกเราไม่หน้าที่แค่ยอมรับไปเท่านั้นนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราไม่หน้าที่ยอมรับเราไม่มีหน้าที่ไปขัดแย้งกับเขาเราไปขัดแย้งนั่นแหละจะเป็นความทุกข์นะเพราะเขาแสดงในตรงนี้เพราะว่าอะไรการที่เราบังคับบัญชาไม่ได้นะมันจึงไม่ให้ตัวไม่ใช่ตนของเราถ้าเราเข้ามาเห็นตรงเนี้เราจะได้รู้ว่าเออมันไม่ตัวไม่ตนของเราจริงๆนะ เราจะได้ไขความบิตติดในตัวในตนของเราออกไปซึ่งมันก็จะตรงเลยนะเพราะเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้ตัวตนของเราเนี่ยมันน้อยลงมันไม่มีซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีอยู่แล้วอย่างที่เราก็ตรวจสาเพตุทำมาน้าตาสิ่งทั้งหลายไม่ตัวไม่ใช่ตนนะแต่ถ้าเราสามารถที่จะบังคับบัญชาเขาได้นะเป็นตามใจใเราต้องการทุกๆอย่างเลยน ะ, ะเราจะให้จิตสงบก็ได้ให้เกิดสติเกิดสมาธิต่างๆก็ได้ นั่นแหละความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้นนะเพราะยิ่งเราปฏิบัติเรารู้สึกว่าเราเก่งกว่าคนอื่นเขานะอคนหนึ่งไปบัสู้เราไม่ได้เราเดินได้ห้าชั่วโมงเขาเดินได้สองชั่วโมงเรานั่งปฏิบัติได้ต้องหลายๆลชั่วโมงเขาไปบัดได้น้อยกว่าเรานะความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้นมาอีกมันก็ละในสิ่งต่างๆเราเนี่ยไม่ได้นะอย่างที่พระอาจารย์ไปสารเมื่อวานก็ได้บอกแล้วว่าอนะคนทั่วๆไปเนี่ย อย่างเช่นเอ่เราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยคนบอกว่าเราไม่มีสตินะเราก็จะโกรธทันทีเลยในขณะที่คนทั่วไปเนี่ยพอได้ยินสิ่งอัเน <riment Williams. S 1> ี้ก็ไม่โกรธนะพอเรามาเป็นนักปฏิบัติปั๊บเราทํำไมต้องดีกว่าคนทั่วไปนะออันนี้ความเป็นตัวตนเราก็เกิดขึ้นในตรงนี้ว่าเราดีกว่าเขาเรามีสติ ด, ดีมาว่าเราได้อย่างไรนะหรือมาบอกว่าเราศีลเราไม่ดีเลยนะเออมาว่าเราได้อย่างไรเราเป็นนักปฏิบัติศีลเราต้องดีกว่าคนอื่นแล้ว เพราะเขาว่าเราเราก็โกรธแต่คนหนึ่งเขาก็ไม่โกรธหรอกใช่ไหมเนี่ยความเป็นตัวตนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ละเอียดเราก็ไม่รู้รยิ่งเราปฏิบัติแล้วเราดีกว่าคนอื่นเขานะปฏิบัติแล้วเรามีสติสมาธิปัญญาดีกว่าคนอื่นานะตรงเนี้ยมันสนองตันหาทั้งนั้นเลยอตันหาตัวตนเราก็จะใหญ่ขึ้นนะเราปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะเอาอะไรในสิ่งเหล่านั้นแต่อยู่ที่เราสามารถที่จะปล่อยที่จะวางความยึดติด ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราได้ไหมยิ่งเราปล่อยวางความยึดติดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้เท่าไหร่ตัญหาในใจเราก็จะลดน้อยลงไปเท่านั้นะยิ่งเราปล่อยเราวางความทุกข์ในใจเราก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไปยึดติดสิ่งใดเราก็จะทุกข์ในสิ่งนั้นแต่ถ้าเราปล่อยในสิ่งใดเราก็จะไม่ทุกข์ในสิ่งนั้นนะเราจะไปรักใครก็แล้วแต่เราก็ยังทุกข์ในคนที่เรารักเพราะเราไปยึดติดกับเขา อีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้ถาวรไม่ได้มีความเที่ยงแท้เราเห็นนะคนที่เรารักนั้นนะเขาก็เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของเขาบางครั้งเขาก็ดีเขาก็ร้ายนะถ้าเราไปยึดติดในตรงนั้นเราก็จะมีความทุกข์ทำไมเขาดีนะทําไมวันนี้เขาร้ายนะนั่นแหละคือความจริงของเขาในตรงนั้นนะเพราะฉนั้นนะบางคนในวันแต่งงานนะก็เป็นคนที่รักกันทั้งนั้นนั่นแหละไม่ถ้าไม่รักคงไม่แต่งงานแต่ทําไมถึงเลิกล้างกันไปนะ ก็เพราะว่าทนไม่ไหวกับความเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะเราทนไม่ไหวกับการเปลี่ยนแปลงของเขาอ응ืทําไมเขาไม่ดีทาวอเหมือนที่ก่อนแต่งนะ เ, ออเพราะเขาแต่งแล้วทําไมก็าเป็นแบบนี้อทําทไมเขาไม่รักเราจริงทําไมเป็นคนเห็นเกิดตัวอทำไม น, นิสัยไม่ดีนะจริ ง, รงๆเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วละ่ะเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะเพียงแตเ่เราไม่เห็นความจริงตรงนั้นเท่านั้นเองแต่เราเห็นความจริงในตรงนั้นเออเรายอมรับเขาได้ไหม งานแล้วเรายอมรับเข้าได้ไหมนะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะเพิ่ะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการที่คนเราเนี่ยไม่ยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามันไม่ได้ดีถาวนะบอลนไม่มีใครที่ดีทาวนบอหรอกไม่มีใครที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนทุกอย่างมีแต่ข้อผิดพลาดทั้งนั้นและเราสามารถยอมรับในข้อผิดพลาดต่างๆของคนอื่นได้ไหมเนี่ยเราก็จะอยู่กับเขาได้ยังมีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะ อยู่ทีใจของเราเท่านั้นเองว่าเรายอมรับความจริงต่างๆได้ไหมความจริงในความไม่เที่ยงในความทุกข์ในความที่เราบังคับบัญชาเข้าไม่ได้ในสิ่งต่างๆเนี่ยเรายอมรับได้ไหมถ้าเรายอมรับได้ชีวิตเราจะไม่มีความทุกข์ตลอดไปเลยนะอันนี้เราก็จะตรงกับสัจธรรมทันทีสัจธรรมในความจริงที่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นนนั้นจังทุกขังนัตตาเมื่อเรายอมรับความจริงเราก็จะเป็นเนื้อเดียวกับความจริงของสัจธรรมจิตเราจะไม่มีความทุกข์ตลอดกาลนาน ก็ขอทุกท่านตรงต่อเสริฐธรรมทุกท่านเทิด